สันตกะอีกประการหน like ึ่งศาสดาบางคนใ น, ลในโลกนีเนเกกน้เป็นผู้เชื่อถือการฟังตามกันมาเป็นผู้เชื่อถือว่าจริงด้วยการฟังตามกันมาศาสดานั้นจึงแสดงธรรมด้วยก า, การฟังตามกันมาด้วยการถือสืบๆกันมาว่าอย่างนั้นอย่างนั้นและด้วยการอ้างตำราหรือคำภีศาสดาผู้เชื่อถือด้วยการฟังตามกันมา ผู้เชื่อถือว่าจริงด้วยการฟังตามกันมาย่อมมีการฟังถูกบ้างฟังผิดบ้างเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างอื่นบ้างในพรหมจรรย์ของศาสดานั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าท่านศาสดานี้เป็นผู้เชื่อถือการฟังตามกันมาเป็นผู้เชื่อถือว่าจริงด้วยการฟังตามกันมาท่านศาสดานั้นจึงแสดงธรรมด้วยการฟังตามกันมา ด้วยการถือสืบสืบกันมาว่าอย่างนั้นอย่างนั้นและด้วยการอ้างตำราหรือคำพีเมื่อศาสดาเชื่อถือการฟังตามกันมาเชื่อว่าจริงด้วยการฟังตามกันมาย่อมมีการฟังถูกบ้างการฟังผิดบ้างเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างอื่นบ้างวินยูชนนั้นรู้ดังนี้ว่าลทัทธินี้เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจ ย่อมเบื่อนายหลีไปจากพรหมจรรย์ น, นั้นสันตกะพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทํากุศลธรรมที่ถูกต้องให้สําเร็จไม่ได้เป็นประการที่สองที่พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว สันตกะอีกประการหนึ่งศาสดาบางคนในโลกนี้เป็นนักตักกะเป็นนักอภิปรัชญาศาสดานั้นจึงแสดงธรรมตามปฏิพัน์ของตนตามหลักเหตุผลและการคาดคะเนความจริงศาสดาผู้เป็นนักตักกะเป็นนักอภิปรัชญาก็ย่อมมีการใช้เหตุผลถูกบ้างการใช้เหตุผลผิดบ้างเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างอื่นบ้าง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 วินยูชนนั้นรู้ดังนี้ว่าลัทธินี้เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจย่อมเบื่อนายหลีกไปจากรพรหมจรรย์นั้นสันตกะพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้เป็นประการที่สามที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วสันตกะอีกประการหนึ่งาศาสดาบางคนในโลกนี้เป็นคนเขางมงายเพราะเป็นคนเขางมงาย ศาสดานั้นเมื่อถูกถามปัญหาอย่างนั้นอย่างนั้นย่อมพูดแบ่งรับแบ่งสู้คือตอบดิ้นได้ไม่ตายตัวว่าความเห็นของเราว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่มิใช่ก็ไม่ใช่มิใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ในพรหมจรรย์ของศาสดานั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า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 ท่านพระอานนท์ศาสดานั้นมักกล่าวกันอย่างไรบอกกันอย่างไรในพรหมจรรย์ที่วินยูชนพึงอยู่ประพฤติจริงจังและเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จได้ พรมจันย์ที่ควรประพฤติท่านพระอานนท์ตอบว่าสันตกะพระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอระหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพี่พร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคละถึง ภิกษุนั้นละนิวรณห้าประการนี้ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจเป็นเครื่องทอนกำลังปัญญาแล้วสังัดจจกการและอกสุิธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่สาวกย่อมบรรลุคุณวิเศษอันยิ่งเห็นปานนี้ในศาสดาใดวินยูชนพึงอยู่ประพฤติพรหมจรในศาสดานั้นอย่างจรงิงจัง และเมื่ออยู่ก็ทํากุศลธรรมที่ถูกต้องให้สําเร็จได้อีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารณ์สงบ ร, งระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู่สาวกย่อมบรรลุคุณวิเศษอย่างยิ่งเห็นปานนี้ในศาสดาใดวินยูชนพึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นในศาสดานั้นอย่างจริงจังและเมื่ออยู่ก็ทํากุศลธรรมที่ถูกต้องให้สําเร็จได้อีกประการหนึ่ง เพราะปิติจางคลายไปภิกษุผู้มีอุเบกขาบรรลุตติยฌานอยู่สาวกย่อมบรรลุคุณวิเศษอย่างยิ่งเห็นปานนี้ในศาสดาใดวินยูชนพึ่งอยู่ประพฤติพรหมจ ร, ร์ในศาสดานั้นอย่างจริงจังและเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จได้อีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัตและโทมนัตดับไปก่อน ภิกษุบรรลุจตุตตชานอยู่สาวกย่อมบรรลุคุณวิเศษอย่างยิ่งเห็นปานนี้ในศาสดาใดวินยูชนพึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดานั้นอย่างจริงจังและเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จได้เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อน เหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อปลุกเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างและถึงถธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้สาวกโยบบรรลุคุณวิเศษอันยิ่งเห็นปานนี้ในศาสดาใด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 ทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการอย่างนี้สาวกย่อมบรรลุคุณวิเศษอันยิ่งเห็นปานนี้ในศาสดาใดวินยูชนพึ่งอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นในศาสดานั้นอย่างจริงจังและเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สาเร็จได้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 สาวกย่อมบรรลุคุณวิเศษอย่างยิ่งเห็นปานนี้ในศาสดาใดวินยูชนพึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดานั้นอย่างจริงจังและเมื่ออยู่ก็ทำกุโรธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จได้ ตขีนาศกไม่ละเมิดฐานะห้าสันตะกะปริภาชกถามว่าท่านพระอานนท์ภิกษุใดเป็นพระอาหารหันตะขีนาศกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นพ ะ, ะสังโยช์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นจะยังบริโภคกามอยู่อีกหรือ ท่านพระอาโนนตอบว่าสันทกะภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีนาศบอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจ ท, ที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชนแล้วหลุดพ้นแล้วพระรู้โดยชอบภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่สามารถละเมิดฐานะห้าประการคือหนึ่งเป็นผู้ไม่สามารถแกล้งปลงสัตว์จากชีวิต 2. เป็นผู้ไม่สามารถถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้อันเป็นส่วนแห่งความเป็นขโมย 3. เป็นผู้ไม่สามารถเสพเมถุนธรรม 4. เป็นผู้ไม่สามารถกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ 5. เป็นผู้ไม่สั่งสมบริโภคกรมทั้งหลายเหมือนเมื่อเป็นครหัดในการก่อนสันธกะภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีนาศ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 กาณทัศน์ของพระอระหันตขีนาศท่านพระอานนท์ภิกษุใดเป็นพระอระหันตขีนาศอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจ ท, ที่ควรทำเสร็จแล้วปรงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วพระรู้โดยชอบภิกษุนั้นเดินไปอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ญาณทัศน์ว่า อาสะวะทั้งหลายของเราสิ้นไปแล้วจะปรากฏต่อเนื่องตลอดไปไหมสันตกะถ้าเช่นนั้นเราจะอุปมาให้ท่านฟังวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพาสิทธิ์ได้ด้วยอุปมาเปรียบเหมือนคนที่มีมือและเท้าขาดไปเมื่อคนนั้นเดินไปอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ก็รู้เสมอต่อเนื่องว่า มือและเท้าของเราขาดแล้วหรือเมื่อเขาพิจารณาเหตุนั้นอยู่ก็รู้ว่ามือและเท้าของเราขาดแล้วหรือ <S 2> <S 2> ท่านพระอนุนคนนั้นย่อมไม่รู้เสมอต่อเนื่องว่ามือและเท้าของเราขาดแล้วแต่เขาพิจารณาเหตุนั้นแล้วจึงรู้ว่ามือและเท้าของเราขาดแล้วสันทกะภิกษุนั้นก็อย่างนั้นเหมือนกันเป็นพระอระหันตขีนาศบอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเมื่อเธอเดินไปอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ยานทัศนะว่าอาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปแล้วก็ไม่ปรากฏต่อเนื่องตลอดไปแต่เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาเหตุนั้นอยู่จึงรู้ว่า อาสะวะทั้งหลายของเราสิ้นไปแล้วสันตกะปริพาชกถามว่าท่านพระอานนท์ในพระธรรมวินัยนี้ภิกษุกําจัดกิเลสและกองทุกข์ให้ออกไปได้มีจํานวนมากเพียงไรท่านพระอานนท์ตอบว่าสันตกะในพระธรรมวินัยนี้ภิกษุผู้กําจัดกิเลสและกองทุกข์ให้ออกไปได้มิใช่มีเพียงร้อยรูปสองร้อรูปสามร้อรูป สี่ร้อยรูปห้าร้อรูปความจริงแล้วมีอยู่จํานวนมากทีเดียวสันตกะปริภาชกกล่าวว่าท่านพระอานน์น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏในพระธรรมวินัยนี้ไม่ได้มีการยกย่องธรรมของตนและไม่มีการติเตียนธรรมของผู้อื่นมีแต่การแสดงธรรมตามเหตุผลเท่านั้นแต่ก็ปรากฏว่ามีผู้กําจัดกิเลสและกองทุกข์ได้มากมายถึงเพียงนั้น ส่วนอาชีวกเหล่านี้ชื่อว่าเป็นบุตรของมารดาผู้มีบุตรตายแล้วยกย่องแต่ตนและติเตียนคนอื่นเท่านั้นกลับปรากฏว่ามีผู้กำจัดกิเลสและกองทุกได้เพียงสามคนคือหนึ่งนันทวัชชะสองกิสะสังกิจจะสมมัคคิโคสารลำดับนั้น สันตกะปริพาชกเรียกบริษัทของตนมากล่าวว่าพ่อผู้เจริญทั้งหลายจงประพฤติพรหมจรรย์กันเถิดการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมย่อมมีผลแต่บัดนี้เราทั้งหลายจะสละลาบสักระและความสรนเสริญนั้นไม่ใช่เป็นของทําได้ง่ายสันตกะปริพาชกได้ส่งบริษัทของตนไปประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระผู้มีพระภาคด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้แลสันตกะสูตรที่หจบห 7. มหาสกุลุทายิสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่อสกุลุทายี สูตรใหญ่ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครือสมัยนั้นแลปริพาชกผู้มีชื่อเสียงจำนวนมากคือปริพาชกชื่ออณภาระปริพาชกชื่อวรตระปริพาชกชื่อสขุลุทายี และปริภาชกเหล่าอื่นล้วนมีชื่อเสียงอาศัยอยู่ในอารามของปริภาชกอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่นุกยุงครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาศถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทยังกรุงราชครึกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้มีพระดำริว่ายังเช้าเกินไปที่จะเที่ยวบิทบาทในเขตกรุงราชครึกทางที่ดี เราควรเข้าไปหาสกุลุทายีปริภาชกจนถึงอารามของปริภาชกอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่นกยุงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จเข้าไปยังอารามของปริภาชกอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่นกยุง ฉันกถาสมัยนั้นสกุลุทายีปริพาชกกําลังนั่งอยู่กับปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ผู้กําลังสนทนาถึงเดรัจานกถาต่างๆด้วยเสียงดังอื้อๆคือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตถเรื่องกองทัพเรื่องไผ่เรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ําเรื่องผ้าเรื่องที่นอน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 ได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงห้ามบริษัทของตนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดเงียบเสียงหน่อยอย่าส่งเสียงอื้ออึพระสมณโคดมกำลังเสด็จมาพระองค์โปรดเสียงเบาทรงแนะนำให้พูดกันเบาๆตรัสันเสริญคุณของคนที่พูดเสียงเบาบางทีพระองค์ทรงทราบว่าบริษัทเสียงเบาพระองค์อาจจะเสด็จเข้ามาหาก็ได้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 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันก่อนๆผู้สมณพราหมณ์ผู้มีลัทธิต่างกันได้มาชุมนุมกันที่ศาลาถกถแถลงได้สนทนากันถึงเรื่องนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเป็นลาภของชาวอังคะและชาวมคตหนอชาวอังคะและชาวมคตได้ดีแล้วหนอที่สมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณนะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิ คนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีเข้าจําพรรษาณนะกรุงราชครือแล้วคือปุรณะกัสปะผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณนะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิคนจํานวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีเข้าจําพรรษาณนะกรุงราชครือแล้วมัคคิโคสารอาชิตาเกตกัมพลปกุทกัจจายนะ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 พระองค์ก็สเสด็จเข้าจำพรรษาณกรุงราชครือเหมือนกันบรรดาท่านสมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมูเจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีนี้ใครเล่าหนอที่สาวกทั้งหลายสักระเคารพนับถือบูชาและสาวกทั้งหลายสักระเคารพแล้วอาศัยใครเล่าอยู่ เรื่องสิทธิ์ไม่เคารพครูทั้งหในที่ประชุมนั้นสมณพราหมณ์บางผู้กล่าวอย่างนี้ว่าครูปุรณะกสปะนี้ถึงจะเป็นเจ้าหมูเจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลทัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีแต่สาวกทั้งหลายก็ไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชา และสาวกทั้งหลายสักระเคารพแล้วก็ไม่อาศัยครูปุรณะกัสปะอยู่เรื่องเคยมีมาแล้วครูปุรณะกัสปะแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยในบริษัทนั้นสาวก ค, คนหนึ่งของครูปุรณะกัสปะได้ส่งเสียงขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายอย่าถามเนื้อความนี้กับครูปุรณะกัสปะเลยครูปุรณะกัสปะนี้ไม่รู้เนื้อความนี้พวกเราสิ จึงจะรู้เนื้อความนี้พวกท่านจงถามเนื้อความนี้กับพวกเราเถิดพวกเราจะอธิบายให้ท่านฟังเรื่องเคยมีมาแล้วครูปุรนักกัสปะยกมือทั้งสองขึ้นแล้วกล่าวขอร้องว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายจงเงียบเสียงหน่อยอย่าส่งเสียงไปเลยท่านพวกนี้จะถามพวกท่านไม่ได้แต่ถามเราได้เราจะอธิบายให้ท่านพวกนี้ฟังก็ห้ามไม่ได้อันหนึ่ง สาวกของครูปรนกัสปะเป็นอันมากพากันยกโทษว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้แต่ผมรู้ทั่วถึงท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดแต่ผมปฏิบัติถูกคำพูดของผมมีประโยชน์แต่คำพูดของท่านไม่มีประโยชน์คำที่ควรพูดก่อนท่านกลับพูดภายหลังคำที่ควรพูดภายหลังท่านกลับพูดก่อน เรื่องที่ท่านเคยชินได้ผันแปรไปแล้วผมจับผิดคำพูดของท่านได้แล้วผมข่มท่านได้แล้วถ้าท่านมีความสามารถก็จงหาทางแก้ไขคำพูดหรือเปลื่องตนให้พ้นผิดเถิดแล้วพากันหลีกไปพวกสาวกไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชาครูปรนกัสปะด้วยอาการอย่างนี้และสาวกทั้งหลายไม่สักการะเคารพแล้ว ก็ไม่อาศัยครูปุรณกัสสะอยู่ครูปุรณกัสสะก็ไม่โกรธเพราะเป็นการตําหนิที่ชอบธรรมสมณพราหมณ์บางพูก้กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ครูมคคิริโคสารนี้ครูอาชิตะเกศคำพลครูปกุทะกัจจานะครูสันชัยเวรัตบุตรครูนิครนนาตบุตรถึงจะเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณนะเป็นคณาจารย์เป็นคนมีชื่อเสียงมีเขียรติยศ เป็นเจ้าลทัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีแต่สาวกทั้งหลายไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชาและสาวกทั้งหลายสักการะเคารพแล้วก็ไม่อาศัยครูนิครนหน้าตาอยู่เรื่องเคยมีมาแล้วครูนิครนหน้าตาบทแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยในบริษัทนั้นสาวกคนหนึ่งของครูนิครนน้าตาบได้ส่งเสียงขึ้นว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายอย่าถามเนื้อความนี้กั บ, บครูนิครนหน้าตาบทเลยครูนิครนหน้าตาบทนี้ไม่รู้เนื้อความนี้พวกเราสิจึงจะรู้เนื้อความนี้พวกท่านจงถามเนื้อความนี้กับเราเถิดเราจะอธิบายเนื้อความนี้ให้ท่านฟังเรื่องเคยมีมาแล้วครูนิครนหน้าตาบทยกมือทั้งสองขึ้นแล้วกล่าวขอร้องว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายจงเงียบเสียงหน่อย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 ไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชาครูนิครนนาตบุตรด้วยอาการอย่างนี้และสาวกทั้งหลายไม่สักการะเคารพแล้วก็ไม่อาศัยครูนิครนนาตบุตรอยู่ครูนิครนนาตบุตรก็ไม่โกรธเพราะเป็นการตําหนิที่ชอบธรรม ความเคารพในพระพุทธเจ้าสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมพระองค์นี้ทรงเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณนะทรงเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลทัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีสาวกทั้งหลายสักกะระเคารพนับถือบูชาพระองค์นอกจากสักกระเคารพแล้วก็ยังอาศัยพระองค์อยู่ เรื่องเคยมีมาแล้วพระสมณโคโดมทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยในบริษัทนั้นสาวกของพระสมณโคโดมรูปหนึ่งไอขึ้นเพื่อนโรมจารีรูปหนึ่งใช้เข่าสกิดเตือนให้รู้ว่าท่านจงเงียบเสียงอย่าส่งเสียงดังไปพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลายกำลังแสดงธรรม ในเวลาที่พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยจะไม่มีเสียงจามหรือเสียงไอของสาวกของพระสมณโคดมเลยหมู่มหาชนมุ่งหวังที่จะฟังธรรมนั้นว่าเราทั้งหลายจากฟังธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสแก่พวกเราบุรุษบีบรังพึ่งซึ่งปราศจากตัวอ่อนที่สีแยกทางหลวงหมู่มหาชนก็มุ่งหวังที่จะได้น้ำพึ่งนั้นแม้ฉันใด ในเวลาที่พระสมณโคโดมทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยก็ฉันนั้นเหมือนกันจะไม่มีเสียงจามหรือเสียงไอของสาวกของพระสมณโคโดมเลยมูมหาชนมุ่งหวังที่จะฟังธรรมนั้นว่าเราทั้งหลายจะฟังธรรมที่พระผู้มีพระภาคจักตรัสแก่พวกเราแม้สาวกของพระสมณโคโดมผู้บาดหมางกับเพื่อนโรมจารีแล้วลาสิกขาออกไปเป็นครหัต ก็ยังกล่าวสรรเสริญพระศาสดากล่าวสรรเสริญพระธรรมและกล่าวสรรเสริญพระสงฆ์ไม่ติเตียนผู้อื่นติเตียนเฉพาะตนเองว่าถึงพวกเราจะได้มาบวชในพระธรรมวินัยนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้แต่ไม่อาจประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จนตลอดชีวิตได้เป็นคนไม่มีบุญมีบุญน้อยเสียแล้ว สาวกของพระสมณโคดมเหล่านั้นจะเป็นอารามิกชนก็ดีเป็นอุบาสกก็ดีก็ยังสมาทานประพฤติคขาบทหประการสาวกทั้งหลายสักระเคารพนับถือบูชาพระสมณโคดมด้วยอาการอย่างนี้นอกจากสักระเคารพแล้วก็ยังอาศัยพระสมณโคดมอยู่ ทำเป็นเหตุให้ทำความเคารพห้าประการพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุทายีเธอพิจารณาเห็นทำกี่ประการที่มีอยู่ในเราซึ่งเป็นเหตุให้สาวกของเราสักกะระเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักกระเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่สกุลุทายีปริภาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรมหประการในพระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาพระผู้มีพระภาคนอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่ธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ หนึ่งพระผู้มีพระภาคเสวยพระกริยาหารน้อยและสงกล่าวสรรเสริญความเป็นผู้มีอาหารน้อยข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรมนี้ในพระผู้มีพระภาคเป็นประการที่หนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสักระเคารพนับถือบูชาพระผู้มีพระภาคนอกจากสักระเคารพแล้วก็ยังอาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่ 2. พระผู้มีพระภาคทรงสันโดดด้วยจีวรตามมีตามได้และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดดด้วยจีวรตามมีตามได้ข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรมนี้ในพระผู้มีพระภาคเป็นประการที่สองซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสักระเคารพนับถือบูชาพระผู้มีพระภาคนอกจากสักระเคารพแล้วก็ยังอาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่ส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 พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้สงัดและทรงกล่าวสรรเสริญความสงัดข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรมนี้ในพระผู้มีพระภาคเป็นประการที่ห้าซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสักระเคารพนับถือบูชาพระผู้มีพระภาคนอกจากสักระเคารพแล้วก็ยังอาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรมประการนี้แล ที่มีอยู่ในพระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสักระเคารพนับถือบูชานอกจากสักระเคารพแล้วก็ยังอาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อุทายีถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักระเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักระเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณโคโดมเสวยพระกริยาอาหารน้อยและทรงกล่าวสรรเสริญความเป็นผู้มีอาหารน้อยอันหนึ่งสาวกทั้งหลายของเราชั้นอาหารเพียงหนึ่งโกะก็มีเพียงครึ่งโกะก็มีเพียงเท่าผลมะตูมก็มี เพียงครึ่งผลมาตูมก็มีส่วนเราสิบางครั้งชั้นอาหารเสมอขอบปากบาทนี้ก็มียิ่งกว่าก็มีถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณะโคดมเสวยพระกรยาหารน้อยและทรงกล่าวสรรเสริญความเป็นผู้มีอาหารน้อย สาวกทั้งหลายของเราผู้ที่ฉันอาหารเพียงหนึ่งโกสะบ้างเพียงครึ่งโกสะบ้างเพียงเท่าผลมะตูมบ้างเพียงครึ่งผลมะตูมบ้างก็คงจะไม่สักกระเคารพนับถือบูชาเราแล้วอาศัยเราอยู่โดยธรรมนี้